ระกรรมฐานท่านปฏิบัติตามทุดงสิบาและขันธวัด14นี้เป็นประจำแม้จะมีปลีกย่อยออกไปบ้างก็อยู่ในหลักใหญ่ที่กล่าวแล้วมิได้ปฏิบัตินอกลู่นอกทางไปอื่นแต่การปฏิบัติจะประสบเหตุการณ์นั้นมีแปลกต่างกันไปบ้างเป็นรายๆตามจริตนิสัยที่ไม่เหมือนกันโดยมากรายที่ชอบอยู่ป่าอยู่เขาเป็นนิสัยมักจะประสบเหตุการณ์มากกว่า การอยู่ป่าธรรมดาแม้ท่านอาจารย์มั่นผู้เป็นต้นตระกูลของพระธุดงค์รรมทานสายนี้ก็ชอบอยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่เขาเป็นนิสัยและชอบสั่งสอนพระให้สนใจในการอยู่ป่าอยู่เขามากกว่าสอนให้อยู่ในที่ธรรมดาฉะนั้นการประสบเหตุการณ์ของพระผู้ชอบอยู่ป่าเปลี่ยวนั้นจึงมีมากและมีอยู่เสมอเช่นเกี่ยวกับพวกพู้ผีเทวดาอินโพรมนาคพวกสัตว์เสือต่างๆบ้าง ระสาวกอรหันมาเยี่ยมและอบรมสั่งสอนบ้างพูดมาถึงนี้ก็จะขอรัธนาเรื่องพระเทระผู้ใหญ่ที่เป็นศิษฐ์ท่านอาจารย์มั่นมาลงบ้างพอท่านผู้อ่านได้ข้อคิดเล็กน้อยที่ท่านมีประสบการณ์คล้ายคลึงกับท่านอาจารย์มั่นว่าจะมีความจริงเพียงไรในความรู้สึกของพวกเราผู้เพียงอ่านเรื่องท่านผู้อื่นไปก่อนมิใช่เรื่องของตัวประสบเอง เมื่อถึงเวลาเราประสบบ้างถ้ามีความสามารถจะมีความคิดความรู้สึกอย่างไรบ้างจึงขอฝากข้อคิดไว้พระเทระรูปนั้นท่านชอบเที่ยวอยู่ในป่าในเขาเป็นนิสัยไม่ชอบเกี่ยวข้องด้วยหมู่ชนพระเนนท่านเห็นประโยชน์ในการอยู่โดยลำพังในป่าในเขาลึกทั้งเพื่อประโยชน์ท่านเองและประโยชน์ผู้อื่นที่เป็นภูมิลึกลับเช่นพวกเทวบุตรเทวดา อินพรมพูดผีนาคอสุรกายต่างๆพบภูมิเหล่านี้เป็นสัตว์ลึกลับในสายตามนุษย์ทั้งหลายคล้ายกับไม่มีความหมายและไม่มีอยู่ในโลกมนุษย์และในตัวในสามพบนี้เลยสัตว์พิเศษเหล่านี้อารัธนาท่านขอให้เห็นแก่พวกเขาที่มีความเชื่อกรรมดีชั่วบุญบาปนรกสวรรค์และนิพพานเช่นเดียวกับมนุษย์ผู้เชื่อกรมทั้งหลาย เป็นแต่ไม่สามารถแสดงตนและความคิดเห็นต่างๆให้โลกรู้เห็นได้อย่างเปิดเผยเหมือนโลกที่เปิดเผยทั้งหลายเท่านั้นนานๆจะมีท่านที่มีสายตายาวคือความรู้พิเศษไม่อคติลำเอียงต่อสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายมาโปรดสักครั้งสัตว์พิเศษเหล่านี้ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์หญิงชายผู้หยาบทั้งร่างกายและจิตใจไม่คอยมีความไม่อภัยสัตว์โลกกันแทรกอยู่ในจิตเลย นอกจากมนุษย์ที่มีศีลธรรมในใจแม้กายจะหยาบก็ถือว่าเป็นหลักธรรมชาติของผู้อยู่ใต้กฎของกรรมจะยอมรับโดยทั่วกันเทวดาทั้งหลายมิได้ถือมิได้รังเกียจแต่มนุษย์จำพวกนี้มีน้อยมากและหาคบได้ยากแม้เขาจะสามารถให้ความร่มเย็นแก่เราราะความดีของเขาที่สละเพื่อผู้อื่นด้วยวิธีต่างๆแต่เขาก็ไม่สามารถรู้เรื่อง และติดต่อกับเราโดยตรงได้นอกจากความดีที่ประสานกันอยู่เท่านั้นมนุษย์พวกนี้ทำความร่วมเย็นแก่โลกได้อย่างกว้างขวางทางั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งที่แจ้งและที่ลับไม่มีการสถานที่ไม่มีประมาณแม้พวกผูดผีที่มีกรรมเบาพอประมาณก็ได้รับความเย็นจากมนุษย์จาพวกนี้แผ่ส่วนความดีให้เป็นประจำพวกกายที่ ลอยอนุโมทนากับเขาอยู่โดยสม่ำเสมอขอให้เขามีความเจริญรุ่งเรืองและทำประโยชน์แก่โลกได้นานๆกว่าจะละโลกนี้ไปสวยสมบัติอันมีค่าของตนของตนสำหรับพระคุณเจ้าเป็นมนุษย์พิเศษมีทั้งศีลทั้งธรรมงามทั้งใจสว่างสวัยด้วยความรู้และคุณธรรมน่าคเคารพเลื่อมใสามาก กข้าพเจ้าทั้งหลายขออารัธนาอยู่ที่นี่โรปรดสัตว์ไปนานๆเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกผู้อาภัพความมีพบภูมิตามสายตาของมนุษย์ทั้งหลายจะได้พากันมาฟังโอวาทคำสั่งสอนและเพิ่มพูนบุญญาบา ร, รมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและเป็นปัจจัยแก่มรรคผลนิพพานอันเป็นธรรมะสุดโลกดังนี้ท่านเล่าว่า เวลาท่านพักอยู่ในภูเขาลึกโดยมากมีแต่พวกกายที่มาเกี่ยวข้องทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งเบื้องบนเบื้องล่างตลอดนากและพูดผีทั้งหลายแทบไม่เว้นแต่ละคืนการทำความเพียรก็เป็นไปตามเวลาไม่ได้หยุดหย่อนการพักผ่อนร่างกายก็สะดวกสบายการต้อนรับแขกลึกลับก็มิได้หยุดวันคืนหนึ่งหนึ่งไม่ค่อยมีเวลาว่างอยู่เฉย แต่เป็นความสะดวกผิดธรรมดาที่อยู่กับผู้คนพระเน้นมากๆซึ่งหาความสงบไม่เคยได้ขณะที่มาเกี่ยวข้องกันส่วนพวกกายทิพจะเป็นภูมิใดก็ตามแม้มีมาเป็นจำนวนมากก็เป็นเหมือนไม่มีการแสดงธรรมก็เป็นมาจากใจล้วนๆไม่ได้ใช้กำลังกายขณะที่แสดงธรรมก็ไม่ปรากฏว่ากายมีในความรู้สึก มีแต่ความรู้กับธรรมะที่สัมผัสกันออกมาเท่านั้นความเหน็ดเหนื่อยไม่ปรากฏในเวลาแสดงธรรมให้พวกนี้ฟังขณะฟังธรรมจบลงรู้สึกมีความยิ้มแย้มแจ่มใสและพร้อมกันสาธุการสามครั้งเสียงสะเทือนไปทั่วโลกกระทาเช่นเดียวกับที่ท่านอาจารย์มั่นเคยเล่าให้ฟังการสนทนาธรรมก็มุ่งความรู้ความเข้าใจจริง เช่นเดียวกับผู้เดินทางสายที่ตนยังไม่เคยเดินกลัวผิดทางถามเขาด้วยความสนใจอยากรู้ทางจริงๆฉะนั้นบางพวกก็สนทนาด้วยภาษาใจธรรมดาแต่บางพวกสนทนาด้วยภาษาบาลีเหมือนพุทธพจน์แต่ก็ทราบความหมายของบาลีนั้นๆอันอยู่ในความหมายแห่งภาษาใจอันเดียวกันท่านเล่าว่า เวลาออกจากสมาธิแล้วท่านพยายามจดบาลีปัญหาที่เทวดาถามไว่มากมายสมัยท่านอาจารย์มั่นยังมีชีวิตอยู่ก็ไปเรียนถามให้ท่านแปลให้ฟังท่านอาจารย์มั่นว่าบาลีเป็นสั์ตายตัวเวลาสู่โลกทั่ ว, วไปแต่บาลีที่ผุดขึ้นมาก็ดีเทวดาถามก็ดีเป็นคำเฉพาะบุคคลเฉพาะการเฉพาะสถานที่เท่านั้น จะนําออกไปใช้ทั่วไปย่อมไม่สะดวกแม้ได้ความชัดเจนตามที่แปลออกจากบาลีทั่วๆไปก็จริงแต่บาลีที่ผุดขึ้นเฉพาะบุคคลในความหมายก็มุ่งเฉพาะบุคคลเท่านั้นมักไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่นแม้ผมแปลให้ท่านฟังได้แต่ก็อาจไม่ตรงกับความหมายที่ท่านเข้าใจมากับบาลีนั้นผมจึงไม่อยากแปลเพราะคาที่ผุดขึ้นมาจากใจ จะเป็นคำบาลีก็ดีเป็นภาษาใจก็ดีเป็นคำห้ามหรือตักเตือนใดๆก็ดียอมเข้าใจและแน่นอนเฉพาะผู้นั้นผู้อื่นจะแยกความหมายที่เกิดขึ้นเพื่อผู้นั้นไปเป็นอื่นยอมขัดต่อความมุ่งหมายของธรรมะซึ่งผุดขึ้นเพื่อผู้นั้นผมพอเข้าใจธรรมะที่ผุดขึ้นภายในทั้งเพื่อตนทั้งเพื่อเทวบุตรเทวดา และเพื่อผู้อื่นใดที่มาเกี่ยวข้องได้พอสมควรเพราะธรรมะเหล่านี้เคยเกิดกับผมอยู่เสมอแม้จะเรียกว่าเกิดคู่เคียงกับปฏิบัติสมาธิภาวนาโดยสม่ำเสมอก็ไม่ผิดนอกจากนั้นเวลาปกติธรรมดาธรรมะดังกล่าวยังเกิดได้บางทีเดินจงกรมอยู่ก็เกิดนั่งอยู่ธรรมดาก็เกิดเดินไปบินทบาตก็เกิดฉันจังหันอยู่ก็เกิด พูดคุยอยู่กับหมู่คณะพอหยุดพูดก็เกิดกำลังแสดงธรรมอยู่พอหยุดชั่วขณะเท่านั้นก็เกิดเกิดไม่เลือกการสถานที่และอุรยาบทถ้าจะเรียกว่าเกิดประจำนิสัยก็ไม่ถนัดใจเพราะแต่เริ่มแรกปฏิบัติที่ยังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรธรรมะเหล่านี้ก็ไม่เห็นเกิดเพิ่งเริ่มเกิดบ้างก็เมื่อปฏิบัติพอรู้อะไรนิดๆหน่อยๆขึ้นบ้าง จนจิตเป็นสมาธิและปัญญาเรื่อยมาธรรมะเหล่านี้ก็ค่อยๆเกิดเป็นคู่เคียงกันมาตามกำลังของจิตจนตลอดปัจจุบันนี้ธรรมะเหล่านี้เกิดไม่มีประมาณทั้งไม่เลือกว่าอิริยาบถใดสถานที่ใดเกิดได้ทั้งนั้นแต่จะเกิดในอิริยาบถใดสถานที่ใดก็ตามยอมถือเป็นธรรมะเฉพาะตัวเข้าใจเฉพาะตัว ไม่คิดจะให้ใครแปลให้ฟังนอกจากต้องการทราบความหมายจากผู้อื่นที่แปลจากธรรมะบทนั้นเพื่อเทียบเคียงกับความเข้าใจของตนบ้างเท่านั้นจึงถามท่านผู้อื่นบ้างในบางครั้งแต่ไม่ได้ถามด้วยความอยากรู้เพราะตนไม่รู้ความหมายของธรรมบทนั้นมาก่อนที่ท่านเล่าให้ฟังผมเข้าใจดีทั้งหมดว่าเป็นธรรมะจพาะตัวใครตัวเราฉะนั้น ผมจึงไม่อยากแปลใหท่านฟังแม้ผมจะเป็นอาจารย์ท่านแต่สาระสําคัญที่ท่านจะพึงรู้พึงเข้าใจจากธรรมะที่พูดขึ้นกับท่านเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าผมแปลให้ฟังท่านพระอาจารย์มั่นว่าดังนั้นแล้วท่านก็ไม่แปลให้ฟังแต่เราก็ไม่ได้ข้องใจสงสัยอะไรเลยความจริงก็เป็นดังที่ท่านพูดไม่มีผิด ผมยอมรับคำอย่างเธอทูลไม่มีที่แยง